ขอความสุขความเจริญตุ้มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องตันหักขยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตันหามีใจความเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวัน พระญากลธัญญาได้นั่งคูบันลังตั้งกายตรงพิจารณาทั้งความซ้นตัณหาอยู่ในที่ไม่ไกลพระพูมีพระภาคพระผูมีพระภาคเมื่อทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ทรงเปล่งพระพุทธอุทานเพื่ัง ค, คงนึกออกนะว่าพระญากลธัญญาเป็นปฐมสาวก เป็นสังขรารัตนารูปแรกที่อุบัติขึ้นในโลกหลังจากความพระธรรมเทศนาธรรมจักรวตรดนัสูบจบลงจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความรับไปเป็นธรรมดา ประวัติความเป็นมาของท่านเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายปพระท่านเป็นหนึ่งในพราหมณ์แปดคนที่ทำนายลักษณะของราราชกุมาธธธธรสิทธัตถะเมื่อตอนประชูติใหม่เป็นพราหมณ์หนุ่มที่มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ของตัวเอง ในขณะที่พราหมณ์ผู้ใหญ่ทำนายว่าพระราชกุมารจะมีคติเป็นสองคือถ้ายุครองคาราวาจะได้เป็นปเจ้าสกภัตติราชออกกนวดจะได้เป็นพระศาสดาเอกในโลกนั้นทัานกนทัญญพราหมณ์ทำนายไปในคติเดียวว่าพระราชกุมารจะต้องเป็นพระศาสดาเอกในโลกเขก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น วระธัปราชิกุมารเสด็จออกพนวดก็จะขอบวชตามแต่าตอนเจ้าชายทัฏถาเสด็จออกพนวดนั้นประชนภรรษาตั้งยี่สิบเก้าแล้ววนพรามแปดคนผู้ใหญ่เนี่ยก็คงลบมหายตาจากไปหมดละหรือมีง้นก็อยู่ในวัยชราเกินที่จะออกบวชแต่ก็ได้สั่ง ลูกของตัวเองเอาไว้ไว้ให้บวชตามเสด็จเจ้ชายทาิตถาหรือการบวชตามในลักษณะนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตำรับตาราที่ตุนในศึกษาเราเรียนมาเพราะว่านอกจากพราหมณ์แปดคนได้สั่งเสียเอาไว้และคนสัญญาแล้วเนี่ย ท่านการลเทวินดาบทหรือท่านอสิตาดาบทที่มาพบพระาชกุมารก่อนคนอื่นก็ได้สั่งเสียหลานชายชื่อชื่อนาระกะบอกว่าให้บวชตามเสด็จพระาชกุมารสิทธะถัพ้พระน า, นาระกะเองก็บวชในยุคแรกยุคต้ น, ตน แต่ใครจะก่อนจะหลังกลนธัญญาก็คงไม่มากไงรก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตำรบตำราที่ตนศึกษาแล้วเรียนมาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อท่านท่านบวชไปแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นมันมีลักษณะปักปักใจฝังใจเวทนาการของทิจิ ลักษณะของทิศถูกบาตฐานกับศีลปับปตูบาตฐานคือถือมั่นด้วยทิฏฐิแล้วก็ถือมั่นด้วยศีลวัดหรือข้อประพฤติปฏิบัติเป็นการเชื่อในลนักษณะผูกโยงว่าถ้าจะศัสรุเป็นรูกุตเจ้าก็ต้องทรมานร่างกายทาไม้ทรมานร่างกายก็จะไม่ได้ศัสรุเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะความคิดผูกโยงเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอุปท า, านคือเป็นอาการของความยึดมั่นถือมั่นปักใจฝังใจลงไปเลยว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอืน่นผิดหมดถึงความเห็นที่แรงอนะฮะแล้วก็จะขาดการปณรีประนอมถ้าเราสังเกตว่าในสังคมไทยเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่า เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยคือการรู้จักปะนีปนอมรู้จักประสานประโยชน์ประชาที่มีการผ่อนปลนปนิประ น, ปนอมกันแล้วก็รู้จักประสานประโยชน์เรื่องแรงแรงมันก็จะแก้ได้คือลดความรุนแรงลงไปได้แต่พอมาถึงปฏิบัติความคิดประมาณไม่ทราบเป็นยังไง เขาคิประมาณค่อนข้างแรงและขาดการประฏิประนอมขาดการประสานประโยชน์ขาดการทำความเข้าใจแล้วก็ชอบตัดสินที่พักษาวิจัยคือดูรายการที่เกี่ยวกับสาระทั้งหลายที่มีการแสดงความเห็นจะมีการแสดงความคิดความเห็นออกมาเนี่ย คือชอบอ่านตอนนั้นก็ต้องการฟังความเห็นนะเราเห็นว่าค่อนข้างแปลกคือข้อมูลยังไม่ชัดก็ตัดสินนะแต่สินชิชีเป็นผิดเป็นถูกมาไปไล้วกแสดงว่าแนวความคิดเหล่านี้ก็ครอบงำสัตว์โลกนะครับเพราะสัตว์โลกมันมีอัตตาสัญญาคือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตจนถึงก็ล ง, ลงตัวลงตน ในความเป็นทิฏฐิมันก็มีมาน่าอยู่ด้วยก็ให้เกิดเป็นอหังการเกิดเป็นมมังการอาการของความยึดมั่นหรือมั่นจึงสูญเสียอะไรไปเยอะโดยไม่น่าที่จะไปสูญเสียและบางอย่างมันก็เลื่อนไหลไปทำกระแสกระแสความนิยมทึ่สูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย แล้วไม่ค่อยดูดำดูดีไม่ค่อยดูธรรมะตาเรื่องอะไรฮะไปรับเขาดือด้อรับมาแล้วก็น่าเอ็นดูพ่อแม่เองก็ไม่มีกำลังที่จะไปชี้แจงแนะนำสั่งสอนลูกเป็นบรรหานที่น่าห่วงนะเม่อถ้า วิทยาถนัปักใจฝังใจในแนวนี้มันจะมีการสร้างกระแสขึ้นมนะจนว่าถ้าใครไม่เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเฉยล่าสมัยไ<ม>ดยโนเสาร์ตาล้านปีอะไรต่ออะไรอย่างที่คนรุ่นใหม่ก็ชอบใช้ความคิดในแนวนี้เราจะเห็นว่าถ้านัญญากรท่านญาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็เปลี่ยนแปลงนะ คือความยึดมั่นถือมั่นในตําักตำนาของท่านเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ในลักษณะคล้ายๆยอมหักไม่ยอมงอคือว่าพอเจ้าชายทิตตะพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เปลี่ยนแปลงการบาเพ็ญทุกรกรรมยามาเป็นการบาเป็นเพียรทางจิตเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นในตําราของท่านเนี่ย ท่านก็ตัดสินเลยววาจะาชายทตฏฐานั้นคลายความเพียนเวียดมาเป็นผู้มากมาเห็นแก่ปากแก่ทองไม่มีโอกาสที่จะได้ศัต ร, รูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ชวนกันหนีเลยหนีในลักษณะตัดเป็นตัดตายหือมันห่างไกลถึงสองรอยห้าสิบกิโล สำหรับโลกยุค 2,500 กว่าปีเนี่ยก็ถือว่าไม่มีโอกาสจะได้พบเห็นนี่และนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างสอนให้เราเห็นว่าจะความปักใจฝังใจในแนวใดแนวห น, นวึ่งเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเข้าไปสวจสอบพิจารณาทดลองซึ่งผิดกับเจ้าชาตทิฏถา เดี๋ชท้ท่ถาแสดงถึงบารมีธรรมที่ทรงศึกษาและเรียนมาการที่ทรงหลงทางเนี่ยรับสั่งเล่าในตอนหลังว่ามันเกิดจากวิบากกรรมของพระองค์ที่ไปกล่าวโจมตีดูเหมือนจะเป็นพระปฏิกระพฤติเจ้กกานะว่าหรือพระกัสสปะก็ไม่รู้นะพระกัสสปะสมาธิพุทธเจ้าแต่เนี้ยนะฮะ ว่าคนไม่สามารถจะสรู้ได้แต่ก็ทําให้ท่านหลงทางแต่ว่าก็มีปัญญาบา ร, รมีในการตรวจสอบไม่ค่อยแนวปักใจฝังใจแต่ว่าพิสูจน์ถึงจุดหนึ่งพอเห็นว่าไม่ได้ผลก็เปลี่ยนไม่ได้ผลก็เปลี่ยนไม่ได้ผลก็เปลี่ยนก็ทําให้ตรงจะสรู้ได้ในที่สุด แต่ถ้าสูงยึดติดอยู่ในแนวเดียวกับพัญยาโกลธัญญาสมัยก่อนนั่นนะครับก็คงจะไม่มีโระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะว่าสิ่งทัางหลายจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากเกินไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวมันมีทางของมันหลายทางไปมองไปคิดผล มันคลายๆคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกแสดงเขาเรียกอนเนกกประยายคือนิยะเป็นอนเนกมากมายกายกองเลยฮรแต่ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยลองจับรข้อปฏิบัติมันจะเข้าสู่กระบวนการของกุศลอกุศล ในขณะที่เข้าสู่กระบวนการของกุศลกุศลพวกเดียวกันก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นอกุศลที่ตรงกันข้ามก็จะดับไปโดยลําดับแล้วก็จะมีจุดที่พบ ก, กันที่ความสุขความส ง, งบความเยือกเย็นไปโดยลําดับพ้น ท, ทางจึงมีอยู่เป็นมา แม้ในโพธิปิยาธรรมสามที่เจ็ดเองนะฮะก็คงแสดงไว้หลายชุดแต่จุดรบรรตบตรงก็คือกันคือไปสู่ผลสูงสุดในทางราพธธระพุทธศาสนาได้โดยกันพอพอข้าสู่กระบวนมันก็เป็นกระบวนธรรมะที่มีชื่ออย่างอื่นอยู่ที่อยู่ในหมวดอื่นมีชื่ออย่างอื่น ก็จะไม่เจอกันไปพบกันระหว่างทางแล้วก็นําคนไปสู่ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยกันพระากนทัญญาเนี่ยตอนท่านบวชท่านบรรลุมรคลเป็นพระหันในท่านก็เป็นผู้ใหญ่ก็ยังนึกว่าอายุยังบอเบาะเนีตอนที่บรรลุมรคลเป็นพระหันอายุก็ไม่น้อยกว่าห้าสิบหก อาจจะถึงหกสิบาทได้ครับท่านก็เห็นว่าพระท่านอยู่เนี่ยพระสาริบุตรประโมคขลานะซึ่งบว ท, ทีหลังก็อาจจะรู้สึกลำบากใจพรท่านจึงไปหลบไปอยู่ในป่านะไปอยู่ที่สัจทันเป็นอยู่ของช้างชื่อวยาสัตทัน ผนบทบาทของท่านก็ปรากฏในตอนต้นพุทธสมัยตอนนี้พระเจ้าส่งพระหันหกสิบรูปไปเผยแพร่ศา ส, สนาในที่ต่างๆนในคราวนั้นพระอระหันหกสิบรูปที่เรารู้ผลงานของท่านในตอนหลังก็รู้ผลงานของพระัญญากชนญยะว่าท่านกลับไปหมู่บ้านโทนวัตโุที่กรุงกบิลพัท แล้วก็ไปชวนหลานชายลูกของน้องสาวชื่อบุญะมันตานีบุตรให้ออกบวชแล้วก็บรรลุผลเป็นพระหรันต่อมาองค์นี้ก็เป็นอาจารย์ของพระอนุ์เป็นพระอรหันต์ระดับอิตรทักขะแล้วก็พระสิชิซึ่งเป็นปฏิบัตวคีองค์ที่ห้า ก็ไปได้เป็สารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมาก็ต่อกันไปก็เป็นบริวา250ร250รหลูกแล้วก็ไปเจอผลงานของพระขวมปฏิหนึ่งในสีสหายของพยัสสัตว์ที่ไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดน้ำหลากเกิดอุทกภัยหลากฉันขอประธานผู้ทานอนุญาตจากพระพุทธเจ้า เข้าสมาบัติแยกน้ำนะฮะที่ใช้พกกสินเนี่ยคือเพ่งเพ่งเพ่งน้ำเป็นดินแล้วก็ประทาดน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงให้กระจายแความแรงของน้ำก็ลดลงความสูญเสียก็ลดลงก็เป็นการอนุเคราะห์ต่อชาโลก นอกจากนั้นก็ไม่พบผลงานเข้าใจว่าท่านก็คงจะเที่ยวจะรีบไปคนละทิศละทางแล้วก็เผยแผ่ไปเรื่อยจนนิพพานที่ไหนก็ไม่รู้เพราะท่านไม่มีตัวตนที่จะไปยึดถืออะไรเพระหันท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรท่านไปด้วยกรุณาท่านท่านไม่สนใจใส่ใจถึงว่าตัวเองจะอยู่ยังไงกินยังไงจะตายที่ไหนจะนิพพานที่ไหนนี่ท่านท่านไม่ได้ติดใจอะไร เพนาะนานๆเราจะเจอนะรเรื่องนี้อย่างพระัญญาโกธัญญาเนี่ยก็เจอในเนี้แต่ว่าแสดงให้เห็นว่าท่านก็กลับมาที่ประเชตตะวันเพราะว่าที่ประเชศตะวันเนี่เป็นการสร้างขึ้นทีนนหลังก็ยังไงก็ผ่านไปต้องหลายปีนะฮะมาที่ นาทบินธิกาเศรษฐีจะสร้างประเชต ว, วันวกว่าผู้เจ้าจะเสด็จไปประทับแล้วก็กว่าที่ท่านจะมาเนี่ยท่านมาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีหลักฐานปรากฏอย่างที่บอกพุ้ตุธานนี้เป็นการสะท้อนมาจากกรุงพระอราหารันต์จะเห็นว่าในอุทานเนี่ยจะมีไม่เท่าไหร่อ่ะที่สะท้อนไปชาวบ้านสามัญสามัญเนี่ยนอกจากเรื่องของ การมาสู่สองสูตรแล้วก็เรื่องผู้หญิงนักราโสเพณีึึงเป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้า น, าานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องระดับภรรยาบุคคลระดับพระอราหันต์เป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์แห่งกุศลธรรมแล้วถ้าเราเชียบเนันนะฮะ เราเทียบประทำยังไงว่าเราเดินไปบนสเส้นทางสายเดียวกับพระอาหารหันต์มันทำนองคล้ายๆกับเราขึ้นขบวนรถไฟกรุงเทพสู่ไงกัวนลกขึ้นไปขบวนเดียวกันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปสู่ไงกัวโลกก็อาจจะข้าไปเลยไปมาเลยแต่คนที่ขึ้นขบวนรถด่วนสายใต้นั่นแหละ อาจจะลงที่ไปจูบอาจจะลงที่ชุมพรอาจจะลงสุราษฎร์อาจจะลงนครอาจจะลงไปพัทลุงไปเรื่อยไปลงตรงไหนก็ได้ก็แสดงว่าไปได้ระดับหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางเราตัวเองระดับนนั้แต่ก็ใช้ขบวนรารข้อยะเดียวกันการเดินบนเส้นทางของ ความสุขความสงบความยึกเย็นหรือพูดง่ายๆว่านิโรธสัตว์อ่ะเมืเราเดินบนเส้นทางอริยมรรตแต่เราจะไปได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ระดับศีลที่ขาระดับจิตสิกขาระดับสมบูรณ์เป็นปัญญาสิกขาไปเลย ก, ก็ยิ่งเป็นการดีพระพุทธุทานรับสั่งว่าพระริยบุคคลใดไม่มีอวิชชาอันเป็นมูลราก อันนี้เป็นการปรรบรระดับพระยาบุคคลระดับสูงสุดนะจึงใช้คำว่าใดหมายความว่าการเป็นพระยาบุคคลหมายความว่าท่านจะดับอวิชชาได้ทั้งหมดมีพระยาบุคคลผู้เดียวตนเองที่ดับอวิชชาได้คือพระอาหารหันต์นั้นเป็นการลดความเข้มข้นของอวิชชาคือจากสีดำมาเป็นสีเทานะ อาจจะมาเป็นสีกางจางขึ้นไปแต่ก็ยังถูกอวิชานำไปสู่พบได้พระนาคามีนี่ถือว่าสุดยอดของภริยบุคคลรองลงมาจากพระหันแต่ว่าท่านก็ดับอวิชาไม่ได้เพราะในความเป็นอวิชานั้นมันการดับอวิชามันเป็นดับวยญาณคือดับด้วตัววิชา วิชาที่สมบูรณ์จะมีคราวหนึ่งนานมาลหลายปีมาแล้วคือมันเป็นเป็นความคิดบูบขึ้นมาในขณะนั้นนะฮะก็นั่งประชุมกันที่กรมการศาสนาที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีข้าราการผู้ใหญ่เยอะและท่านประหลัดสมานแสงมลิท่านก็ ก็ ร, รบขึ้นมาในที่ประชุมท่านบอกว่าผมเมงไม่ทราบเป็นยังไงผมฟังเท่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจธรรมะก็ที่ประชุมก็มีพระองค์เดียวก็มีผู้ใหญ่ทั้งขออาตันยุคุณช่วยอธิบายหน่อยแต่ก็เป็นพระหอมยวนคลุูเหมอลุกขึ้นไปอธิบายเองก็น่าเกียอะเราต้องเขียนที่กระดาษเขียนเป็นชาร์ตขึ้นมะ เราไดขอร้องให้ศาสตราจารย์สมุนอมรวิวัตรเป็นคนี่เขียนเราก็บอกให้ดันเขียนมันก็คิดขึ้นมาในขณนะนั้นนะว่าถ้เราทำเป็นรูปสามแฉกที่ส่วนหัวนี่อยู่ด้านนอกด้านซ้ายมือด้านขวามือแล้วก็แตกเป็นกิ่งออกมาสามกิง่งนน้าละสามกิง่ง ตัวนูด้นหนึ่งเป็นวิชาด้านหนึ่งเป็นานาวิชาด้านวิชานั้นประกอบด้วยไอ้จริงสามจริงเน่ยเป็นอโลพาอะโทสามโมหะคือไม่โลภไม่โกรธไม่ดุงแล้วก็ด้านวิชานั้นก็ด้านนาวิชาก็ประกอบด้วยความโลภความ โ, มโกรธความดุ่งก็ยังชื่นชมสัจจญาณสุโมนอมอนมีบัณฑ์ท่านบอกขอโมหะอยู่ตรงกลางได้ไหมบอกว่าใช่ถตกลง อยู่ตรงกลางนะฮะอยู่ตรงเส้นกลางเพราะเวลาท่านเรียงเนี่ยท่านเรียงตามลำดับความลาดับโทษคือหมายความว่าโลภะมีโทษน้อยแล้วก็คลายช้าโธสัมมีโทษมากแล้วก็คลายเร็วโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายช้าเราก็เรียงอย่างนั้นว่าวิลหมดเนี่ยโมหะมันจะหมดเป็นตัวสุดท้ายโมหะก็เป็นตัวนํา สิการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันพัฒนาตัววิชาขึ้นไปเนี่ยวิชาพัฒนาไปเรื่อยเราเห็นว่าในศีลก็มีวิชานะในศีลก็มีปัญญาในสมาธิก็มีปัญญาในปัญญาก็มีปัญญาแล้วก็กลายเป็นพลังที่ผลักดันเกิดปรับกันตัวต่อตัวเลยอโลภะไปทําลายลโลภะโทสะทําลายโทสะอโมหะทําลายโมหะจนถึงจุดหนึงน่งก็ ไปถึงอวิชชาไปถึงอวิชชาอาวิชชากระดับตัววิชาเองก็กลายเป็นอวิชชาเองก็กลายเป็นวิชาแล้วมั่อเกิดความคิดขึ้นมาก็ยังไม่เคยถามลองลองคุยกับพ่อครัวพี่แกนว่ามันถูกต้องไห้แต่สอบทางกับพระเจยบิดกก็เป็นอย่งไง น, นะ้นคือตัวอวิชชาเนี่ยตัวอที่อวิชชาเนี่ย มันไปอยู่ที่อัตาตากลายเป็นอนัตตาเพราะนันก็รู้แจ้งโลกเนี่ยรู้แจ้งธรรมทั้งหลายว่าธรรมต้องบูเปนอนัตตาดังนั้นการจะดับวิชาได้มันจึงต้องดับโดวยวิชาที่พระเจ้าทรงแสดงวิชาเกิดขึ้นวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไป หรือแม้แต่ธรรมเทศนาสูตรแรกคือธรรมจักกรัตนาสูตรที่ทรงแสดงว่าโดยการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคหรองค์แปดประกาศเนี่ยทำให้จักขุกรณียานะกันนี่ตัวนี้เป็นสัมมาญาณแล้วก็พอพอพอพวงนี้เกิดเนี่ยอุปสมายาคือจิตมันจะสงบสงบความรู้สูงขึ้นเขาเรียกอภิญญายาคือรู้ยิ่งขึ้น ถึงคุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นการสัสรุเพราะสัสรุก็คือเป็นวิชาแนะวิชาที่สมบูรณ์มันก็ดับดับอวิชาก็กลายเป็นนิพพานเพราะในที่นี้เป็นการแสดงถึงข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์ว่าพระยะบุคคลใดไม่มีอวิชาอันเป็นมูลรรกคือหมายถึง ระอันจากุธัญญ า, แ ล, า, า, ลาแล้วก็หมายถึงพระอานทัมม้งหลายคือหมายถึงพุทธบุคคลทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไม่มีแผ่นดินคืออาสวะอันนี้เป็นการเทียบเคียงเพราะอาสวะมันเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับนะเพราะว่าอาสวะตัวตัวล่างสุดเนี่ยก็คื อ, อวิชาสวะาสวะคือาวิชาสังโยชน์ก็เป็นอาสวะ คันธะก็เป็นอาสวะโยคะก็เป็นอาสวะอะไรอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันจะเรียกว่าอาสวะอยู่ข้างล่างสุดเป็นอวิชาสวะคืออย่งเป็นอวิชาสวะในที่นี้สรงอุ ป, ปมาเหมือนแผ่นดินคือเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยนะตราบใดที่ยังมีแผ่นดินอยู่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นสุดเนื่องแผ่นดินอีกเยอะแล้วก็ นิวรณ์และอายนิโสมนดิการนิวรณ์ที่จริงก็เป็นกิเลสประเภทโลกโกดลงนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงกับออกมาข้างนอกเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือเกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจคนในพระสูตรเป็นอันมากที่พระเจ้าทรงอุปมา ส, สอนเป็นอุปมาให้ยห็น บากามฉันธนิวรนคือจิตที่เหนยวนึกจึกนึกถึงสิ่งที่ใครเ่เรื่อหน้าของของใครเนี่ยมันเหมือนคนที่ตกเป็นนี่เป็นสินคนอื่นพยาบาทมิวรนคือจิตที่ลูกใจเจ็บผูกอาฆาตผูกพยาบาทจองเวรคนอื่นเหมือนกับคนเจ็บไข้คนป่วยถูกโรคเสพแทงสารพัดโรคหินะมิแทบความมงเหงาหามนอนพวกนี้คนข้างลึก ก็เหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นแล้วก็อุตจ่ายคูณจ่ายให้คนหรือฟุงงั่านรำขาญเนี่ยเหมือนกับคนที่ติดพุกก็คิดไปอย่างนี้นะฮะบนท้ายก็ออกไปจากพุกไม่ได้วิจิตาวความเคลื่อแปรงสงสัยเนี่ยมันเหมือนกับคนเดินทางไกลที่ทรุกกันได้ เพราะเวลาพูดถึงที่เลศระดับกลุ่มมุมใจเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่จะใช้คำนิวรนจะใช้นิวร์เพราะจริงๆคือโกกรกปวดลงเลยันโมหะอุทัจะจเนี่ยก็เป็นความหลงแต่มาชันก็เป็นความโลภพยาบาทก็เป็นความกดทีนันมิทะก็อยู่ในกลุ่มหลงนะฮะในกลุ่มหลง อ, โ ย, โ, อ, อโยนิโสมนิการคือการที่จริงอโยนิโสมนิการเป็นเหตุให้เกิดวิจิกิจชาวิจิกิชาคืเราเครืองแปรสงสัยเราไม่แน่ใจนะเราตัดสินใจไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ความคิดโดยเหตุโดยผลโดยบายวิธีที่แยบคายนะเหมาะสมกับเหตุแก่ผลหรือยางยกตัวอย่างเนี่ว่า ไอ้แฟชั่นที่มันมาจากที่ต่างๆที่ลูกหลานเราไปแต่งไปนุ่งไปอะไรต่อะางๆเนี่ยมันมาเรื่องเกินว่ามันต้องการอะไรเธอเกิดมาเพื่ออะไรกันเน่ในว่าศักดิ์ศรีอเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีอะไรต่างๆเนี่ยแต่เธอรับมานี่เป็นการทําลายศักดิ์ศรีทํำลายเกียรติยศ ทำลายเป็นความเป็นคุลบุตรกุลจิดานะสุขภาพบริสุขภาพสัตว์สีไปเยอะหลายๆเรื่องนะฮะไม่ใช่ทุกเรื่องนั่นก็คืออะไรคือเราไม่ได้คิดหรือแม้แต่การรับประทานอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนะี่ยที่เราไม่เคยศึกษาถึงว่าอาหารกล่องนะเดี๋ยวนี้อาหารกล่องนี่ก็นิยมกันมาก คุณค่าทางอาหารความสะอาดของอาหารคือเราจะเห็นว่ารประการอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างคุณค่าทางอาหารก็ดีความสะอาดของอาหารก็ดีมือไม้ของผู้ทําอาหารเนี่ยสะอาดหรือเปล่ากันหยิบกันช่วยกันจับอะไรต่างๆเราไม่รู้อะเรากินได้สนิทสนมเลยมือฝีมือของใครก็ไม่รู้นะใครทํามาอะไร เป็นลักษณะของอายในสมรรถนิการคือเราไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลโด ย, ยวิธีที่แย่ที่ขายสืบสาวที่ไปที่มาจะทำอะไรทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรมันคุ้มค่าไมอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยต้องต้องคิดอีกอย่างถ้าหากว่าเราใช้ระบบตรงนี้ได้เนี่ยปัญหา อันตรายต่า ง, างๆนจะลดลงไปแต่นี้พอพอเป็นอายุนิสโสมนัสิการเนี่ยตัวนี้อย่าลืมว่าไม่มีนะฮะหมาความภายในใจพระหานี้ไม่มีเพราะพวกนี้เป็นเป็นกิเลสเท่านั้นอายในสโสมนาสิการก็เป็นพวกโมหะนะก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาสวะนิวรณ์อายุนิสโสมนาสิการก็เป็นกิเลส ประเพศโลกกฎลงแล้วก็ไม่มีเถาวันเถาวันคือสิ่งที่ปลูกมันอันนี้นี่เราจะเห็นว่าพู้เจ้าใช้อุปมาหมดอุปมาสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปเทียบเคียงกับกิเลสไม่มีเถาวันคือมานะและอติมานะเป็นต้นนะฮะคือในความเป็นมานะในความเป็นอติมานะเนี่ยมันยังขยายตัวเองไปอีกเยอะ มานน่าแปลว่าความถือตัวถือว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโ น, น้นแล้วก็อาจจะเป็นเหตุได้ยกตนข่มทันเป็นเหตุได้ตีเสมอคนอื่นเป็นเหตุให้ดูห ม, มิ่นตัวเองแต่ทำย่ำยีตัวเองเราจะเห็นว่ามีคนเป็นนั้นมากที่ที่อ้าง อ้างความยากจนเนี่ยเป็นกลายเป็นอภิสิทธิ์ที่มีสิทธิพิเศษก็อ้างกันกันกันเยอะไปเนี่ยอันนี้คือการดูหมินตัวเองมันไม่มีใครรวยตะโกนหรอกเกิด ม, มาก็มือเปล่าด้วยกันังนั้นแหละสืว่มมาตัวเปล่าด้วยกันังนั้ น, น, นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องของความเพียรพยายาม เราศึกษาประวัติของเศรษฐีแต่ละคนเลยนะเคยยากจนมาก่อ น, อ น, น, นด้วยกันนะนะจะยกตัวอย่างท่านนาะยกกรมจีเนี่ยมันทําอะไรเป็นหลายอย่างนะเป็นธารพัฒน์ทำอาหารทำกับข้าวอะไรต่างก็เป็นหมดเลยเพราะว่าเคยยากจนมาก่อนเคยทํางานเหล่านี้มาก่อนก็ทําได้หรือ ว, ว่าท่านบรรหารยัเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็เคยยากเกิดมาก่อนก็ทําทอะไรได้ เรื่องที่ชา บ, บ้านตั่วไปก็ทาเนี่ยก็ทำได้หมดเเพราะฉะนั้นมันมนเป็นการดูหมิ่นตัวเองแล้วก็อยู่กับที่เนี่ยกลายเป็นเงื่อนไขที่จะอ้างอ้างบางทีก็อ้างเปนะ็นพิสิทธิ์เป็นว่าบุกไปยึดครองที่บินของคนอื่นสร้างบ้านไปอยู่ที่อาศัยและอ้างความเป็นคนจนแล้วก็เกลี้ยกลาดทรุนแรงแะแอะไรต่าง ไม่เป็นลักษณะโอ ม, มานะคือดูหมินตัวเองแล้วก็ไม่มีการสรวจสอบตัวเองหรอกว่ารายได้ที่มันได้มันน้อยเนี่ยรายจ่ายที่มันมากเนี่ยมันตัดได้ไหมละ่ะแล้วเพิ่มรายได้แล้วก็ตัดรายจ่ายได้เพื่อสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เนี่ยมันมีรายจ่ายที่ได้สาระเยอะลองนั่งจดดูลองนั่ ง, ดด ง, น, งนับดูเถ ไม่จําเป็นจะต้องมีเราก็อยู่ได้แต่ว่าพระโรคกาดหลักตัวนี้ยขาดหลักของอยู่ในส่วนบริการมานะมันกระจายตัวเองเออกไปเป็นถึงเก้าอย่างนะเช่ น, นว่าเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาก็ไปยึดติดในความเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาหรือว่าคิดว่าตัวเองเสมอเขาคิดว่าตัวเองเร็วกว่าเขามันกลายเป็นมานะ แต่แต่ข้อเนี่ยมันก็กลายเป็นมันนะเป็นความกระด้างทางใจแล้วให้ลองสังเกตว่าจะไปใส่คนอื่นไปใส่คนบทีนี่บางทีเนี่ยบางทีเช่นเราเวลาเนี่ยเราเรียกรองอะไรสิทธิเสมอภาคคือยังนึกมานานเลยไอ้ว่าเสมอภาคเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมนุษย์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเสมอกันแต่แต้กลางกันในรายละเอียดนะฮะ แล้วไม่เที่ยงเป็นทุกเวนาตาเนี่ยเสมอกันคนเราจะไปตามผลกรรมนี่เสมอกันแต่กรรมมันก็ต่างกันอีกไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตาก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันสิทธิที่เสมอภาคเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องกันโดยไม่มีเหตุผลอะไรคนหนึ่งจบปอ 6, หกคนนึงจบปัญญาตรีเนี่ยจะสิทธิเสมอภาคกันได้ไงทำงนานเงินเดือนเท่ากันตำแหน่งเท่ากันได้ไง มันไม่ใช่มันต้องทำหน้าที่ก่อนนะทำหน้าที่ให้เสมอกันก่อนเช่นเพื่อนก็เรียนจบปัญญาตีเรียนจบปัญญาโทรเราเรียนให้จบภาคกับเขาก่อนแล้วจึงได้สิทธิตามที่เราได้ทำและการเสมอภาคจริงยังมีรายละเอียดอีกมันไม่จะนิ่งเสมอได้นะเราะความเสมอภาคยิง จึงไม่มีหรอกแล้วถ้าสมมุติว่าโลกคนเสมอกันจริงๆมันก็ยุ่งก็อยู่มยไม่ได้เหมืนอนอวัยวะร่างกายของเราเนะี่ยม่เสมอกันไม่ได้เท้าก็อยู่ส่วนเท้าอ่ะหัวก็อยู่ส่วนหัวมือก็อยู่ส่วนมือแต่ว่าอาวัยวะทุกส่วนทําหน้าที่ก็แล้วกันมันก็กลายเป็นชีวิตที่ไปไหนมาไหนได้ถ้าสม ม, มุติว่า อวัยวะทุกส่วนจะขอเดินหมดอ่ะเดินเดิ น, นเป็นเท้าหมดเลยทำไงเป็นความคิดที่ที่ค่อนข้างแปลกไอ้สิที่เสมอภาคมันไม่เสมอหรอกเมื่อก่อนมีคนขับรถไปที่สุราษฎร์เขาพูดดีอะว่าคนเสมอกันถ้าคนเสมอกันก็ไม่มีคนขับรถอ่ะมันมีแต่คนนั่งทั้งทั้งนี้แกเปนขับรถนะแกก็มองได้แกก็ธิบายได้ ที่บานะับแล้วดูหมือคนอื่นดูเหมืนคนอื่ น, ด น, น, นโดยรูปร่างโดยทรัพสมบัติโดยสถานะโดยความรู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็หาเรื่องมาดูถูกดูหมิ่นได้เทานะั้แล้วก็ใบคือความความมัวเมาประมามมายาแล้วก็สาเหตยะใบของเาวันนะความมัวเมาเนี่ยควราะมวัวเมาคือหมกมุ่นอยู่ในเรื่องในเรื่องหนึ่ง เวทนาการของความประมาทนั่นแหละแต่ว่ามัวเมาด้วยราคะมัวเมาด้วยโลภะมัวเมาด้วยโมหะมันก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้เพราะเพราะอะไรแต่กิเลสพวกนี้ยมันเป็นเหในแต้มัวเมาราคะจัดก็มัวเมานะฮะโลภะจัดก็มัวเมาโทสะจัดก็มัวเมาในขณะเดียวกันก็ทําให้ประมาท มายาเป็นลักษณะของการเสรแสร้งการโอ้อวดต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งยากขัดใจยากมามายาหรือมารยานะฮเวมายาที่เป็นพระช น, นีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชื่อของเทิดานะเทิดาที่มีความสวยงามแต่มายานี่เป็นชื่อของกิเลสประเภทอุปกิเลส นะพอเกิดขึ้นไปในใจแล้วนี่จะดูยากมากๆเพราะว่าการมายาหรือว่าเสแสร้งหรือว่าโอ้อวดเนี่ยนะสาเสยะก็จะทำให้เราตัดสินใจยากเพราะการที่ปรากฏบางสวยงามบางคนเนี่ยเสแสร้งจนไม่มีพิรุธแล้วแกก็เสแสร้งอยู่ได้ทุกคราว มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันแสดงนะฮะคือเขาไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นเขาตลอดแต่ว่าต่อหน้าเนี่ยเขาสวยงามมากแลวเขาแสดงได้ดีก็าตีบทได้แตกที่โบราณอาจารย์บุตต่อหน้ามาพระประหลังตะโกมาไหวหลังหลอกมือถือสาปากถือศีลสนดาบในรอยยิ้มอะไรสารพัดอนะ่ะ จนถึงก็ปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรแต่เนี่ยพวกมารยาพวกเสแสังพวกโ อ, โอ้อวดพวกนี้ไม่มีอยู่ในจิตใจของพระอานั้งลายเมืการแสดงเนี่ยเคาเรียกตรงไปตรงมาจะบอกว่าพวกนี้จะมีแต่ที่ไหนใครเล่าจะควรมินทาพราะบุคคลนั้นผู้เป็นนักปราหลัดคือหมายความว่า ในที่นี้พูดถึงคนดีนะฮะคือคนชั่วเนี่ยอนิยาอะไรไม่ได้เราอย่างที่ท่านบอกว่าอา น, นินทากาเลมันเทน้ำามาชกชาวเมืองมีดมาขีดหินแม่องค์พระปฏิมายังลาคินคนเดินดินอจะพ้นคนนินทาแต่ว่าในที่นี้หมายถึงออว่าบินอยู่สุดคนดีเนี่ยเขาไม่นินทา เพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุที่ต้องนินทาพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุให้เขานินทาแต่ว่าปัญหาสำคัญว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวมันก็ต้องมองกลับไปถึงเรื่องของคนพานที่เคยพูดเรื่องมงคลนนสูตรไว้นะว่าคนพานเนี่ยเพ่งโทษคนอื่นในลักษณะบัณฑิตเนี่ย จะเพ่งโทษตัวเองไปทัศน์บางคนผ่านสามารถจะเกลียดโทษอะไรลงอนใครก็ได้คนดียังไงก็ได้นะคนผ่านก็เกลียดโทษลงไปได้ในที่นี้จึงรับประกันว่าใครเล่าจะควรนินทาพระยะบุคคลนั้นผู้เป็นนักปราบผู้พ้นแล้วจะเครื่องผูก ตือว่าคนปกติคนปกติจะไม่นินทานักปราชญ์จะไม่นินทานคนที่พ้นจากเครื่องผูกคือกิเลส ท, ที่เป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหลายเนี่ยขั้งบนเนี่ยแล้วก็แม้เทวดาก็ก็ชินชุแม้พรหมก็จะยกย่องสรรเสริญพระยาบุคคลหรอกนะเทวดากับพรหมนั้นก็แน่นอนแต่ว่า มันก็มีเทวดาบางองค์พระเทพบุตรมานอีกันนะฮะพูดในกรณีกรณี น, นี้ต้องต้องต้องเข้าใจว่าหมายถึงเทวดาที่เป็นสมาธิ่าถ้าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยมันก็ยังเหียดเบียนนะอย่างที่นั้นตะกายักษ์ที่ไปตีหัวพระสารีบุตรตอนเข้าสมาบัติก็นั้นก็ แสดงเห็นว่าเขาเขาก็เป็นที่จริงก็เป็นพวกกลุ่มของเทวดานะรือนเครือของเทวดาหรือพวกเทวปุตตมานที่มาเบียดเบียนล้างผ่าดพระพุทธเจ้าการรับประกันตรงนี้เป็นการพูดเฉพาะคนดีส่วนคนชั่วนั้นจะเอานิยายอะไรเข้าไม่ได้แร้วก็จะทำอะไรเขาก็นินทาได้ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระหันทั้งหลายเนะียังถูกเวียดเบียจนจะผ่านได้ไหนวิธีการปฏิบัติในธรรมะเป็นเรื่องที่แต่ละคนรับผิดชอบตัวเองคือการยอมรับการตำหนิของคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความดีของเราสมมติว่าเราทำความดีแล้วคนยกย่องกันหมดเราก็ดีถ้าที่เราเดีย บุญก็มีเท่านั้นเนี่ยเท่าที่เราทําือว่าคนที่มิติเตียนเราหมดเราก็ดีเท่าที่เราดีคือไม่เป็นลดดีเราไม่ลดดีเรา ไ, ไ, ไม่เพิ่มดีเราคือดีจะลดหรืจะเพิ่มเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของเราเองเพียงแต่ว่าวินยูชนนั้นท่านจะใช้ปัญญาพิจารณาทิปเคียงโดยรอบคอบแล้วจะยกย่องคนที่ควรยกย่องมาเข้ามีการกระทําที่ควรยกย่อง ระยะ บ, บุคคลเป็นผู้ที่แม้เราทําจิตได้เลื่อมใสมันก็เป็นบุญแล้วเป็นเพิ่มคุณภาพจิตของเราให้สงบ ม, มีความประณีตมีความเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าถึงยกร่อนสรรเสริญก็เป็นวจีสุจริตทางจิตที่ชินชมยินดีก็เป็นมโนสุจริตการกระทําแสดงความอ่ด น, น้อมต่อท่านก็เป็นกายสุจริต พระอิโช่เนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดบุญนะแม้แต่เราเห็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เกิดบุญได้โดยการทําใจเรื่มใส่สมนานันจะรัศนังนะการพบเห็นสมณะเป็ุดมมงคลต้องฟังเทา่าไหร่เสียงธําจากมหาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี